ธรรมะนะไม่ต้องเรียนด้วยกันคิดเอาคิดชิดไปเรื่อยๆยิ่งคิดยิ่งสงสัยธรรมะหัตดูสภาวะเข้าไปตรงๆรนี่ยมันโกรธขึ้นมาดูไปที่ความรู้สึกโกรธนราจะเห็นนะความรู้สึกโกรธเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจมันชอบอะไรขึ้นมาก็รู้ว่าชอบรู้ตรงๆง หเห็นว่าความชอบมันเป็นของแปลกปลอมเข้ามาเป็นของถูกรู้ถูกดูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดูเห็นความสุขเป็นของแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างดูแบบเดียวกันเนี้ยภาวนาอย่ายคิดมากความคิดจะปิดปิดบังความจริง ดูความจริงอย่างความรู้สึกทั้งหลายเป็นความจริงที่ผุดขึ้นมาเราบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้อย่างใจเราเราไปเห็นดอกไม้สักดอกใจเราจะสุขหรือใจเราจะเฉยๆฉยหรือใจเราจะไม่ชอบขึ้นมาเราสั่งไม่ได้คอยรู้เท่าทันใจของตัวเองไปไม่เห็นจะต้องถามใครเลย นี่ถ้าพวกไม่ได้หลักของการภาวนาก็จะสงสัยไปเรื่อยการปฏิบัติจะทำยังไงดีทำยังไงจะเก่งเร็วๆทำไงจะบรรลุมรรคผลเร็วๆในใจมันมีแต่คำว่าทำมันไม่มีคำว่าเห็นอย่างที่เป็นนี่มันพลาดกันตรงนี้ยิ่งคิดมากยิ่งสงสัยมากยิ่งสงสัยมากก็ยิ่งคิดมาก ความสงสัยกับความคิดมันหลอเลี้ยงซึ่งกันและกันยิ่งสงสัยก็ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งสงสัยดูเขาไปตรงๆไม่เห็นมีอะไรต้องคิดเลยอย่างความสุขเกิดขึ้นต้องคิดไหมว่านี่คือความสุขหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เห็นจะต้องคิดเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อย่างที่มันกำลังปรากฏนั้นแล้วมันอสอนธรรมะเราว่มามีแต่ความไม่เที่ยง มีแต่ของที่ถูกบีบขั้นให้แตกสลายมีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะี่เรียนธรรมะเนี่ยถามให้น้อยดูให้มากคำถามทั้งหลายมันเกิดจากความคิดทั้งนั้นหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยถามนับครั้งได้เลยนะแทบจะไม่ได้ถามท่านเท่าไหร่อย่างเราพ่อนาว่าเกิด อะไรแปลกๆเราสงสัยก็ดูไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจมันคืออะไรหรือมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเราสงสัยว่าถ้าเราท่งสภาวะนี้ไว้นานๆจะดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นต้องสงสัยก็ดูไปเรื่อยๆนะสังเกตไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็รู้อะไรถูกอะไรผิด เมื่อไรที่เกินจากรู้ตามความเป็นจริงมื่นั้นผิดในขั้นของวิปนะัสนาง่ายแค่นี้เองความสุขทุกคนรู้จักความทุกข์ทุกคนก็รู้จักความเฉยๆยไม่สุขไม่ทุกข์ทุกคนก็รู้จักรู้จักอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงฟุ้งซ่านโหดถูทุกคนรู้จักก็แค่ว่าสิ่งที่เรารู้จักอันนี้มันเกิดขึ้นมาเราก็รู้ มันหายไปเราก็รู้ก็แค่นั้นแหละจะสงสัยอะไรนักหนาบางคนชอบถามนะเจอครูบาอาจารย์พยายามนั่งถามนั่งซักหลวงพ่อเคยเจอคนไปนั่งถามกรรมฐานกับหลวงปู่เทศเราก็นั่งอยู่ข้างหลังหลวงปู่ฟังไปด้วย พระอาป ถ, านะถักต์ท่านจะให้หลวงพ่อนั่งหลบอยู่ข้างกันให้หลวงปู่รับแขกอื่นให้เสร็จก่อนแล้วก็จะไล่ออกไปหมดเลยปิดประตูนี่หลวงพ่อคุยกับหลวงปู่เหมือนธรรมะจริงๆนี่คนนี้ยังไม่ไปพูดอยู่นั่นละถามถามถามหลวงปู่ก็ตอบไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อมโมโหนะที่คนนี้มันไม่ปฏิบัติมามันฟุ้งซ่านอย่างเดียวเลย เนี่ยเรานั่งฟังเขาถามเราก็โมโหนะเหมือนพวกเราอ่ะฟังเขาส่งกันบ้านบางทีเราก็โมโหรู้สึกไหมส่ทงทำมไมมะไม่ได้เรื่องเลยแล้วเดี๋ยวเราก็อยากส่งบ้างไอ้ที่ถามก็เหมือนไอ้ที่เขาถามนะนะั่นแหละน่ า, ำารำคาญพอๆกันนี่ไอ้คนนี้ก็ถามถามถามหลวงปู่ก็ตอบไปเรื่อย ในะสุดท้ายหลวงปู่เหนื่อยเราดูออกหลวงปู่เหนื่อยแล้วนะทําไมหลวงปู่ไม่หยุดสติโดยตอบเขาทําไมนะทีแรกโกรธให้คนถามนะตอนหลังเนี่ยพอหลวงปู่เหนื่อยโกรธหลวลงปู่เลยนหะลวงปู่ <c oughs> นะไ <c oughs> ี่ตอบมันทําไมมันถามส่งเดชมันไม่ปฏิบัตนะิหรอกหลวงปู่ก็อดทนนะ ตอบตอบตอบท่าเขาพอใจแล้วเขาก็ไปท่านก็หันะหามาสอนเราต่อพูดกับเขาเขาก็มีความสุขแล้วนะอย่างน้อยเขาก็ไม่มโมโหขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่องความเมตตาของท่านนะถ้าเขาโกรธเนะี่ยเขาตกนรกนะ มันพูดพูดเพ้อเพหอมันก็ได้อยู่อย่างเงี้ยยังไม่ตกนรกถ้าไปขัดคอมันมันตกนรกเลยโกรธครูบาอาจารย์เนี่ยเรารู้สึกว่าความเมตตาของครูบาอาจารย์เราประเมินไม่ออกเลยได้เรียนอะไรมาจากท่านไม่ใช่น้อยหลวงพ่ออย่างคนมาถามกรรมฐ า, านท่านนะดีดีอะไรเงี้ยชมไปเรื่อยๆ แล้วก็นึกในใจหลวง ป, ปู่ชมได้ไงมาคนนี้ดูไม่ได้เรื่องเลยเขาเข้าไปหลวงปู่บอกว่าชมเขาให้เขาจะได้มีกําลังใจไปบอกเขาว่าไม่ดีเดี๋ยวเขาเลิกปฏิบัติเนี่ยความเมตตาของท่านะท่านเมตตาเราที่นั่งนินทาท่านอยู่ข้างหลังด้วยนะคําถามเนี่ยนะนะสงสัยเกิดขึ้น ให้รู้ว่าสงสัยแล้วสังเกตเอาอะไรเลยก็สู้การสังเกตเอาเองไม่ได้เรียกว่าโยนิโสมานสิการแต่การสังเกตไม่ใช่สังเกตตามใจกิเลส ต, ตัวเองนะต้องรู้หลักของการปฏิบัติก่อนว่าสิ่งเนี้มันอยู่ในหลักของการปฏิบัติหรือเปล่าเนี่ยหลวงพ่อเวลาเจอปัญหาติดขัดทางกรรมฐานเนี่ยน้อยครั้งนะที่จะต้องพึ่งครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่เคยแก้กรรมฐานให้หลวงพ่อเนี่ยมีอยู่ห้าหกององละหนึ่งปัญหามีสองปัญหาอยู่หนึ่งองค์นัคือหลวงปู่สิมเคยสอนสองทีแต่จะว่าปัญหาก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ปัญหาทีเดียวที่มีปัญหาไม่เข้าใจก็มีเคยภาวนาแล้วก็หลับนั่งสมาธิก็หลับเดินจงกรมก็หลับทําไงก็ไม่หาย นียไปถามหลวงปู่สิมหนึหลวงปู่สิมก็มตอบผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษานี้ท่านบอกเนี่ยเมื่อปีสองหกลวงปู่บอกงั้นเราก็หลวงปู่บอกอย่าสงสัยแล้วก็เลิกสงสัยมันจะหลับก็เรื่องของมัน嘛นั่งดูมไปเรื่อยๆหลับก็หลับเลยเดินจงกรมจะหลับก็เรื่องของมันเ่ะวันที่หนึ่งก็ยังหลับอยู่นะ เข้าไปหาวันที่ห้าสิงหาสองหกนาหลวงปู่หลวงปู่สิมวันที่หกก็ตะเวนไหวพระอยู่ที่เชียงใหม่ไปถึงหน้าพระแต่ละองค์แต่ละองค์ก็นั่งสมาธิก็นั่งหลับอีกนะวัดโน้นก็หลับวัดนี้ก็หลับช่างมันหลวงปู่ไม่ให้สงสัยวันที่เจ็ดสิงหานั่งรถตัวกลับกรุงเทพนั่งรถตัวตอนเช้า ไม่ชอบนั่งรถตัวกลางคืนหลวงพ่อรถตัวสมัยก่อ น, นหนงหูชอบเปิดหนังบ้าบ้าบาบาหนังฆ่ากันอะไเงี้ยโหดร้ายทารุณดูแล้วจิตใจเสียไม่อยากยุ่งกับมันมากลางวันแนั่งมาเรื่อยๆออกเากเชียงใหม่ก็นั่งหลับหั บ, บตื่นตื่นมาเรนะื่อยะยิ่งใกล้กรุงเทพในใจมันยิ่งตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้น มาถึงวงเวียนหลักสี่นะใจสว่างพลุกขึ้นมาเลยอ๋อนี่เองหลวงปู่บอกว่าให้ทําไปอย่าสงสัยเลยอีกทีหนึ่งที่ไปถามมีปัญหาจริงๆก็คือไปถามหลวงตามหามบัวะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตทําไมมันไม่พัฒนาท่านบอกดูไม่ถึงจิตแล้วนะี่จริงๆแล้วที่ครูบาอาจารย์แก้ให้มีไม่กี่ครั้งอะ อย่างที่โดนหลวงปู่บุญจันทร์ตวาดเนะอันนั้นหลวงพ่อรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสมถะนะไปติดสมาธิอันหนึ่งรู้อยู่แล้วนอกนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือมีปัญหาเราแก้ของเราได้งั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนั้นก็ช่วยตัวเองให้มากหน่อยสังเกตเอาอย่างใจเราไปสว่างว่างอย่อยางเงี้ย ที่หลวงพ่อไปถามหลวงตามาหาบัวเนหลวงพ่อสังเกตไม่ออกว่าทําไมมันสว่างว่างอยู่อย่างนี้ตั้งนานเป็นปีเลยอันนี้ดูไม่ออกแต่รู้ว่ามันไม่ถูกละแต่สังเกตร่องรอยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่จริงไม่มีอะไรนะพอตื่นนอนปุ๊บนะคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตเคลื่อนเข้าในช่องว่างนี้เลยนะเราไม่ทันสังเกตรตรงนี้ ครูบาอาจารย์สกิดให้นิดเดียวเราก็แก้ได้แก้ในไม่กี่นาทีเอท่านนั่งฉันข้าวอยู่ยังฉันไม่เสร็จเราก็แก้ตกแล้วหายใจยี่สิบปดครั้งเองเนี่ยพวกเร า, าอยา่าอยากถามมากไปดูตัวเองให้มากเนี่ยอมอยาไว้เหมือนยิ่ง กวนขอมากกว่าเก่าอีกไม่ต้องซื้อยามาให้หลวงพ่อนะไอ้ที่เดือนยาแก้ไอก็มาเต้มเลยล้วนแต่ยาดีที่สุดในโลกนั้นเลยยาไทยยาจีนยาแขกยาผีบอกยาอะไรบาสารพัดเลยมีใครบ้างไม่แกล้มไม่กระไอไม่มีหรอก เงือนก่อนจะยกมือถามเนี่ยนะวัดใจตัวเองก่อนจำเป็นหรือเปล่าช่วยตัวเองไม่ได้แน่หรือเปล่าถ้าช่วยตัวเองได้ดวงคำถามบัางคำถามนะหลวงพ่อสงสัยอยู่ใช้เวลายี่สิบสองปียี่สิบสองปีกว่าจะได้คำตอบด้วยตัวเองอย่างหลวงปู่ดนบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ถูกเนี่ย ฝั่งเราขัดแยงขยับจะถามหลวงปู่ดุล่้อันไหนแน่นะเอาไว้ก่อนเอาไว้ดูเองก่อนหลวงปู่ดุลมรณาภาพไปไปอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามท่านเอาไว้ดูก่อนหลวงปู่เทศที่มรณาภาพไปะอยู่กับหลวงปู่สิมก็ขยับอย่างเนี้ยเรื่อยๆมานะเอาไว้ดูเองคุ้มค่า จากการที่สงเกตตัวเองเออ้อาก็ถามครูบาอาจารย์นะมันเหมือนเด็กเรียนหนังสือขอให้เฉลยข้อสอบอย่างเดียวเลยไม่ได้เรื่องหรอกงั้นวัดใจตัวเองให้ดีนะก่อนจะถามคำพูดเมื่อออกจากปากเราแล้วเนะี่ยมันเป็นเครื่องชี้วัดความดีความไม่ดีความเหลวไหลอะไรของเรา คำพูดนี่แค่คำถามบางทีก็สะท้อนเลยเธอไม่ได้ปฏิบัติถึงถามอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ว่านะพระหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่เทศมาแล้วหลวงพ่อก็ฟังอะจะถามไหมกราบนรรมสการค่ ะ, อ, ะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยนะคะว่าจะต้องปรับ พเพิ่มตรงไหนคะ่ะขันมันแยกแล้วล่ะแต่อย่าไปประคองตัวผู้รู้เอาไว้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติดูออกไหมดูตัวเองออกไหมไปแก้ซะไม่ได้แก่อะไรก็คืออย่าไปทํามันอย่าไปทําแบบนี้อไปประคองจิตเอาไว้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติ แยกขันได้แล้ว๋ยวไปรักษาจิตให้นิ่งๆปล่อยมันทำงานไปเราจะเห็นทั้งผู้รู้และสิ่งถูกรู้เนี่ยเกิดนับไม่ใช่ไปรักษาตัวรู้ไว้นะห น, หนูก็ต้องหนูต้องมีอะไรต้องแก้ไขอีกไหมคะในการปฏิบัติแหมถามแบบไม่รับผิดชอบนะไม่มีถ้าแก้ไขไม่ใช่วิปัสนามีแต่รู้อย่างที่เป็น สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสมาธินะต้องมีสมาธิที่ถูกรู้เนื่อรู้ตัวอยู่โดยไม่ได้จงใจบังคับให้รู้ตัวตอนนี้บังคับอยู่รู้สึกไห ม, อ, มอ่ะบังคับเพราะโลภก็บังคับเมื่อวานบังคับเยอะแล้วก็เลยทื่อบังคับน้อยลงรู้สึกไหม น, นั่นแหละคือพัฒนาการ ผิดน้อยลงมันก็ถูกมากขึ้นแค่นั้นเองเมื่อไร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกแค่นั้นเองนะมีการปรึกษากันด้วยถามเจ้าค่ะนะปรึกษากันว่าอย่าไม่ถามดีกว่าไม่ถามก็บอกให้ที่ฝึกมาเก่าเนี่ยมันฝึกบังคับจิตมากไปนะมันทําจิตเนีย่ยไปบังคับมัไว้อย่างนีนะ้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติ ที่เราบังครับเพอเราอยากดีอยากดีมันก็โลภนั่นแหละะว่าไงเมื่อกี้ปรึกษากันแล้วว่าจะไม่ถามออืเพราะว่าเพราะวันไปเช้าที่หลวงพ่อสอนอตอบคําถามของผมไปหมดแล้วครับอืดีไปดูเอานะนักปฏิบัติจริงๆไม่ถามมากหรอกพวกที่ถามมากคือพวกคิดมากพวกคิดมากคือพวกไม่อยอมรู้ ถ้ารู้อ่ะมันจะต้องถามอะไรความสุขเกิดรลดับเนี่ยต้องถามใครไหมเห็นจะต้องถามเลยความโลภโกรธหลงเกิดรลดับต้องถามใครไหมเห็นจะต้องถามเลยของง่ายๆเราไปคิดให้ยุ่งยากเองที่เหลือคงไม่ถามแล้วใช่ไหมคนจีน เ, นเราพ่อจะแนะนาอย่างนะคนจีนเนยโดยโดยกำเนิดเลยโดยชาติพันธ์เป็นพวกที่สมองดี ช่างคิดอันนี้เป็นข้อดีแต่ก็เป็นข้อด้อยด้วยในการปฏิบัติเราอย่าเอาความฉลาดอย่าเอาสมองมาใช้ในการปฏิบัติเราอย่าวัดความรู้สึกที่เกิดแก่ใจของเราไปเรื่อยๆวัดที่ความรู้สึกไม่ใช่วัดด้วยเหตุด้วยผลวิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ผลไปเรื่อยๆอันนั้นไม่สามารถทำให้เข้าใจธรรมะได้ มีจะทำให้จิตฟุ้งซ่านเฉยๆอย่างมากก็มีความสงบลงไปแล้วก็สบายใจเฉยเฉยมันจะไม่ล้างกิเลสหรอกกิเลสไม่กลัวคนคิดมากกิเลสไม่กลัวคนฉลาดนะไม่กรัวอฉริยะกิเลสกรัวคนซื่อสรงอดทนในการอ่านใจตัวเอง คนจีนมีโอกาสสูงนะในยุคนี้ทุกอาทิต ย, ย์อาจารย์สอนให้แนะ้อาจารย์สอนมีปัญหาถามอาจารย์แนละ้วอะไรเงี้ยไม่ต้องคลอดเช็คมาถามหลวงพ่ออีกรอบหนึ่งดูิอาจจะสอนตรงไหมบางทีคำพูดมันเหลื่อมกันนะคำพูดเนื้อเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดอันเดียวกันนะแต่ภาษาบางทีต่างกันนิดหน่อย เราก็สงสั ย, ยทำไมอาจารย์พูดงนี้ทําไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยยิ่งสงสัยก็ยิ่งคิดมากยิ่งคิดมากยิ่งเดินช้านะยันอย่างเรียนกับอาจารย์เขบอกเป็นอย่างนี้นี้สังเกตเอานะจริงอย่างเขาว่าอย่างเขาบอกเราเพ่งอยูนะ่เราไปดูตัวเองหนทาไมอาจารย์ว่าเพ่งจริงเปล่าไปดูสินะแล้วพอว่าไม่ได้เพ่งเขามาถามอาจารย์ทีทีเนี่ย ดิฉันคิดว่าไม่ได้เพ่งนะทำไมอาจารย์ว่าเพง่งท<ม>ีมาถามอาจารย์ก็อธิบายว่าตรงนี้แหละอย่างเนี้ยแบบเนี้ยเรียกว่าเพง่งนะประคองจิตไวน้นิดหนึ่งก็เพ่งแล้วลนะเนี่ยภาษาบางทีนะเลื่อมกันไต้เลื่อมกันมานิดหนึ่งนะเราฟังคำตอบจากคนหลายคนแล้วยิ่งสับสนกว่าเกา่าอย่างอาจารย์อาจจะบอกว่าเพ่งอยู่ พอมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกประคองจิตอยู่อะไรเงี้ยมันอ่านเดียวกันนลยแต่ภาษามันต่างต่างกันไปยังถามหลายคนนะไม่ได้ฉลาดขึ้นนะถามหลายคนยิ่งงงมากขึ้นแต่ที่จะไม่งงเลยไม่โง่ด้วยก็คือใจของเราเป็นยังไงมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้เท่าทันไปอันนั้นดีแน่นอนคนจีนไม่ถามแล้วต่อไปมีชาติไหนอีก อ๋ยัมีอีกเนะี่ยไปถามอาจารย์ไปบันจีเนี่นะมามาจริงๆไม่มีอะไรหรอกมันยังติดบังคับใจอยู่บังคับใจให้นิ่งๆควบคุมใจตัวเองมากไปปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมชาติก็คือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย นะถ้าไปทำใจอยู่กับทั้งคงที่นิ่งคงที่อย่างเงี้ยเนี่ยหลวพจูนใจให้เท่ากับพิกษุนีแล้วเนี่ยรู้ทันตัวเองเข้าไปนะอย่าไปประคองอยู่อย่าไปบังคับอยู่นะตอนนี้ใจไหลไปคิดแล้วนะใจไหลไปคิดอย่างเงี้ย รู้ทันว่ามันไหลไปนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่คิดเอาแต่คอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปนะเราไปบังคับจิตให้นิ่งเราก็รู้ว่าบังคับอยู่จิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดอยู่นะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไม่มีคำถามหรอกนะคำถามเนี่ยทำให้เราเนิ่นช้าแต่ความจริงที่แสดงตัวธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะในใจเรานี่เอง เดี๋ยวก็แสดงความสุขเดี๋ยวก็แสดงความทุกข์เดี๋ยวก็แสดงโลภโกรดหลงงั้นในคำภีมหายานจะมีบอกไว้ชัดเจนเลยว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลานะแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแสดงธรรมอยู่ที่ไหนที่ใจเรานี่เองนะจิตของเรานี่ยอะไรคือตัวพุทธนะงั้นเราสังเกตไปพุทธะจะสอนธรรมะเราเองนะใจเรานี่สอนธรรมะ เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายโลกโกรธหลงแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับทั้งสิ้นเนี่ยพุทธะสอนธรรมะอยู่ตลอดเวลาในใจเราเนี้นี่เราเที่ยวสแสวงหาพุทธะภายนอกนะยังตั้งใจจะมาฟังหลวงพ่อปราโมทให้รู้เรื่องแล้วจะได้ได้ธรรมะกลับไปเมืองจีนอนะไรเงี้ยนั้นเข้าใจผิดละ ธรรมะอยู่ที่จิตของเราเองพุทธะแสดงอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวมันก็แสดงความสุขเดี๋ยวมันแสดงความทุกข์เดี๋ยวมันโลภมันโกรธมันหลงมันสงสัยมันฟุ้งซ่านมันหดหูนี่มันแสดงตลอดแล้วทุกตัวที่มันแสดงขึ้นมาก็สอนธรรมะทั้งหมดคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดจะต้องดับไปไม่มีอะไรที่จะคงทนทาวรไม่มีอะไรที่เราจะบังคับได้ เนี่ยเรียนธรรมะนะฟังธรรมะของจริงจากพุทธะที่ใจเหล่านี้แล้ววันหนึ่งจิตเราจะเข้าถึงพุท ธ, ธาภาวะที่แท้จริงค่อยๆฝึกไปนั่งลงได้ละไม่ต้องทำหมดแล้วพุท ธ, ธาภาวะมีแต่ผู้หลงไม่บ้านไหนน่าสนใจไหมนะ เพ่งอยู่อ่ะรู้ไหมยังเพ่งอยู่นะอะกราบมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมข อ, อกาบเจ้าค่ะครั้งสุดท้ายที่โยมส่งการบ้านยพูดดังๆครั้ ง, งสุดท้ายที่โยมส่งการบ้านคือถามเกี่ยวกับตัวจิตผู้รู้ซึ่งพ่เอเขาบอกขึ้นมาว่าจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่เราหลวงพ่อก็ได้กรุณาอธิบายโยมก็กลับไปปฏิบัติต่ออค่ะ วาได้สักระยะหนึ่งก็เกิดภาวะที่ว่าอยู่ๆมันว่างไปหมดอืโยมก็ตกใจว่าความเสื่อมคิดว่าความเสื่อมในธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งที่โยมรู้รู้สึกว่าพอจะเลยแล้วมันก็เสื่อมมันหายไปหมดเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้การปฏิบัติเลยก็ออะคะ่ะก็ได้ได้แต่พยายามที่จะเริ่มต้นใหม่ถูกแล้วค่ะก็ได้แต่เตือนตัวเองว่า มันลงมาศูนย์ก็ถอยไม่ได้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่นั่นแหละทุกวันนับหนึ่งนะ <Okay. S 1> ไม่ใช่นับต่อยอดไปสิบสิบเอ็ดอะไนั่นเลยเริ่มต้นใหม่ทุกวันมีสติอยู่กับปัจจุบันไปทีนี้ตรงตรงส่วนนี้เนี่ยพอสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มเริ่มกระเตื้องขึ้นอออืเออก็ภาวนาต่อไปเรื่อยอมๆมาเมื่อเร็นี้ค่ะพอดีว่าโยมไปทําบุญแล้วก็พักอยู่ที่วัดที่ต่างจังหวัดอืก็ภาวนาต่อ ในระหว่างที่ภาวานาเนี่ยเจ้าค่ะโยมก็เข้าไปเห็นสภาวะ เ, ออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเนี่ยบอกภิกษุณีว่าจิตเขาดีขึ้นเยอะเลยเขารู้สึกไหมเนี่ยคือจิตที่รู้สึกตัวเป็นอย่างเนี้ยนะไม่ใช่จิตที่สงสัยอย่างเงี้ยหมุนหมุนไปเรื่อยคิดไปเรืนะ่อยจิตที่ดีคือจิตอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยนะี่แล้วก็คอยอ่านความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยนะปัญญามันจะเกิด อาว่ามาในระหว่างที่ภาวนาโยมก็เห็นสภาวะเ อ, อที่ไม่ใช่เราทาั้งรูปทั้งนามทั้งจิตผู้รู้มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันแล้วอยู่ๆความหมุนในในในหน้าอกนี่ค่ะที่เป็นที่หลวงพ่อเคยอธิบายว่าเป็นวัตฏะเนี่ยมันก็เหวี่ยงขึ้นมาอย่างแรงอืโยมก็ดูเข้าไปเรื่อยๆมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโยมรู้สึกว่าไม่เคยมีความรู้สึกว่าทุก ทุกครั้งไหนจะสาหัสสาการเท่ากับครั้งที่เห็นข่าวนี้มันก็วางจิตไม่ถูกเจ้าค่ะอืแต่ว่าบางครั้งมันก็แสดงว่าแสดงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราให้เห็นขึ้นมาโยมก็เขาดูเขาเ้าไปเรื่อยๆอจนกระทั่งรู้สึกว่ามันอ่อนแรงอกืก็ต้องหยุดไปทีนี้โยมก็กราบเรียนขอคําแนะนําว่าถ้าเกิดเข้าไปเจอสภาวะอย่างนี้นะคะเจอก็เจอไม่เจอก็ช่างอย่าไปอยากได้สภาวะอย่างนี้นะ เรายังไม่ได้มรรผลอะไรหรอกสภาวะที่เกิดเนี้ยมันก็แค่ของถูกรู้อันหนึ่งมาแล้วก็ไปดูไปเรื่อยๆจนใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ใจไม่เป็นกลางดูออกไหมใจอยากเจอสภาวะอันนี้เนี่ยรู้เท่าทันใจไปใจไม่เป็นกลางดีขยันภาวนาก็คือรู้อย่างนี้ไปยิ้ไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยใช่ไหมคะเพราะว่ายมถึงเวลาก็ทําสมถะน ะ, ะไหวพระสวดมนต์อะไรต้องทำะนะมันจะได้กําลัง ดูเฉยๆมันฟุ้งของโยมมันปัญหาคือที่มันไม่ตัดนะสมาธิไม่พอมันฟุ้งสร้างซะก่อนนู่นอยู่ท้ายห้องเลยบอกภิกษุณีว่าอย่าไปบังคับจิตไว้นะมันเคยชินที่จะควบคุมไว้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติ ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องผิดหวังเสียใจมากค่ะแล้วก็จิตมันก็ดิ้นรนเยอะหนูรู้สึกเหมือนมันมีทั้งมานภายในทั้งมานภายนอกเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มันก็ส่วนใหญ่เหมือนจิตมันจะอยู่ในอกุศลแต่ว่าก็ยังน่าจะพอเห็นใจรักได้บ้างค่ะหลวงพ่อไม่ทราบมีอะไรแนะนำไหมคะสองบอทนนะค่ะตอนนี้ ใจมันยังจมอยู่ในความทุกข์อยู่ยังไม่พ้นทีเดียวหรอกทนไปเราภาวนาของเราไปยังไงก็อย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละแล้วก็พอมันมีกําลังขึ้นมาสมาธิมันดีขึ้นมามันก็จะเดินต่อไปตอนนี้แค่รักษาตัวรอดเท่านั้นแหละนะที่ผ่านมาหนูไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ผิดมากใช่ไหมคะคือหนูก็พยายามอดทนดู ให้รู้ทันสี่ใจใจมันเศร้าหมองก็ดูไปนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องอยากให้มันหายค่ะดูไปชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตอนสุขก็เพลินเพลินตอนทุกข์ก็ดิ้นรนนะเราพยายามพัฒนาตอนสุขก็ไม่หลงตอนทุกข์ก็ไม่หลงฝึกไปเรื่อยๆ ยังดีที่ว่ายังมีธรรมะนะค่ะถ้าไม่มีธรรมะหนูแย่กวันนี้เยอะเลยใช่ค่ะหนูก็รู้สึกว่าตอนหนูทุกหนูหนูเกาะการปฏิบัติเลยอะแต่ว่ามันก็ยังปฏิบัติผิดเยอะเหมือนแบบว่าความพิจใจมันดิ้นรนนะคะอือค่ะนั่นแหละสมาธิมันยังไม่ดีใจไม่ไม่สงบนะใช่ค่ะห้ามันไม่ได้เรงผ่านตรงนี้ไปก่อนอดทนไว้ขอบคุณค่ะ เนี่ยจันอาสั่งให้ผูกคอไว้ผมไม่งั้นจะไม่มีเสียงไอไขอเบรกหน่อยก็ได้ขอไอดีกว่าเอาววามาอ๋อส่งการบ้านครั้งแรกครับหลวงพ่อดีก็เอ่อหลังๆก็รู้สึกตัวดีขึ้นก็คือใช้เอ่อบริกรรมคู่กับลมหายใจนะครับเออดีแล้วก็ บางทีภาวนาไปเรื่อยเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงตรงกลางตรงกลางหน้าอกเนี่ยมันก็จะหมุนๆน่ะฮะก็เลยมองเป็นอนัตตาการนิจังนะฮะตรงที่หน้า อ, อกหมุนนะเราดูห่างๆนะอย่าให้ใจจมลงไปตรงนั้นอ๋อครับนะดูห่างๆครับดูไปแล้วถึงจุดนึ่งจะเห็นแต่ทุกข์ครับถ้ามันทุกข์มากเราก็ทำสมถะครับกลับมาไหว้พระสวดมนต์พุโทโธหายใจอะไรก็ทำไปเถอะครับ เวลาถ้าเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยที่ภักมีที่เดียวคือสมถะยังอืแก้ไม่ได้อ๋อครับแล้วมองเป็นอ น, นิจจังกับอนัตตานี่เข้าทางวิปัสสนาไหมครับเป็นเข้าทางวิปัสสนาอ๋อต้องเห็นนะแต่ถ้าคิ ด, ค ถ, คดถ้าคิดไม่ใช่ครับแต่ว่าเนี่ยเดินวิปัสสนาไปนะเถึงจุดหนึ่งมันจะทนไม่ไหวมันทุกข์รตรงนั้นต้องทาสมถะ อ่านมรส ก, การหลวงพ่อครับเมื่อไงก็สงสันบ้าในรอบ ป, ประมาณ<ค>ปีหนึ่งบวดเทียหลวงพ่อไม่ใช่เหมไม่ไม่ไม่เคยครับไม่เคยคเลรอื่างไงก็เมื่อปีก่อนหลวงพ่อก็บอกว่าผมยังฟุ้งซ่านอยู่ครับตอนนี้ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เหมือนกันหรอกปีนี้จิตมันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วมันไม่ได้เหมือนเมื่อปีกลายหรอ ดูออกปวดูออกว่ามันเห็นเห็นขันทำงานเองของมันได้เห็นเห็นเห็นทำงานแยกกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ทีนี้มีมีคำถามครับว่าคือผมเกิดความเข้าใจในสมาธิขึ้นมาอย่างหนึง่งที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าว่าคือแต่ก่อนนี้เข้าใจว่ามันมันเป็นภพอะไรสักอย่างหนึง่ง แต่ตอนนี้เข้าใจว่าสมาธิคือตอนที่พบตอนนั้นไม่มีหลังหักไม่ได้สร้า ง, างนี่ยครับเราไม่ได้สร้างนะจิตมันสร้างเองสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเกิดในพบทั้งสิ้นเลยมันไม่ต้องกลัวพบนะบตอนที่พ้นจากพบเนะี่ยตอนเกิดโลกุตระสั้นๆเท่านั้นเองเรื่อนั้นที่เราเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยคือพบเท่านั้นแต่เป็นพบที่ดี ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยก็เป็นภพนั่นแหละเป็นภพที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี้ถ้าเราจงใจมากก็เป็นภพที่หยาบนี่เราไม่ได้เจตนาจิตมันสร้างภพสงบขึ้นมามันก็ดีก็ยังเป็นภพอยู่นะตรงที่ไม่เป็นภพพ้นจากภพมันก็คือตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลเท่านั้น เราได้ไปพบทางนั้นนะไม่เท่ารังเกียพบนะกิเลสเกิดในพบนะกุศลก็เกิดในพบทีนี้ภ <พอ S 2> าวนาดีขึ้นแล้วขอบคุณเป็นครับผมพ่อขอบคุณทำไมคุณภาวนาของคุณเองขอบคุณตัวเอ ง, อเองที่ไม่ขี้เกียจ <laughs> แต่คนที่หลวงพ่อชมว่าดีเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะมันจะเสื่อมไปช่วงหนึ่งนะบางคนเสื่อมหลายเดือนเลยเพราะาอยากจะดีตลอดอย่างขนาดเนี้ยเริ่มอยากดีตลอดแล้วรู้สึกไหมใจเริ่มทื่อขึ้นมาแล้วเริ่มบังคับใจแล้วแต่ห้ามไม่ได้หรอกเป็นทุกคนแหละเพราะงั้นทางที่ดีอย่ามาถา ม, มเลยอ้ว่ามาอธิ ก, การครับหลวงพ่ อ, อฟุไทยได้อว่าไป ผมไม่ได้ส่งการบ้านกับหลวงพ่อนานมากแล้วครับอืก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นครับนั่นแหละภาวนามาได้ถูกทางแล้วก็มีแต่ทําให้มักนะทํำบ่อยๆทําประจําสะสมกําลังไปกําลังพอมันก็ขําไปสู่โลกุตระอันั้นจิตมันเป็นเองอเรบาบอกครับตอนนี้จิตเขาเริ่มเดินปัญญาแล้วใช่ไหมครับเดิน จิตมันถูกแล้วนะครั บ, ร, บ, ร, บรักษาสิ่งที่ดีงามอันนี้ไว้คือขยันภาวนาทุกวันแต่อย่าโลภว่าไงฟังหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีนั่งสมาธินะฟังหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันวันละยี่สิบนาทีแล้วก็จเจริญสติในชีวิตประจำวัน เขารู้สึกว่ากิเลสลดน้อยลง อ, อ, อืเขาภาวนาถูกต้องหรือไม่คะภาวนาถูกนะแต่ถ้าภาวนาถูกเนะี่ยจะเห็นว่ากําลังของกิเลสันอนอนลงแต่ว่าจะเห็นกิเลสบ่อยขึ้นนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยเห็นสลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดนะแต่ว่ามันไม่มีแรงกิเลสนะแต่วันดีคืนดีมันก็แรงขึ้นมาได้นะไม่ต้องตกใจที่ภาวนามาใช้ได้นะทําต่อ แต่ตอนนี้จิตไม่เข้าทานอยู่นิดหนึ่งจิตมัน <trabal> ม่อยู่ที่หลวงพ่ออยู่ที่ไหนคนจีนคนที่ถือไม้นี่เขาเสียสละสูงนะเขาโยนผ้าพันคอทิ้งทุกรอบที่เดินนมาสการครับคือผมรู้จัก หลวงพ่อทางพอดแคสต์แล้วก็ได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติม า, าได<ม>้แค่เดือนมันคืออะไรนะอะไรพอด์ตนะหล้วเป็นไงคล้ายๆ y ้าย u b e ค่ะเอ อ, เ อ, อต้องพยายามคิดนะหลวงพ่อเป็นคนโบราณมี <c oughs> ของใหม่ๆอะไรไม่รู้จักแล้ว <c oughs> อว่ามาครับผมก็อยากจะทราบว่ า, าที่ปฏิบัติมา <c oughs> ใช่ได้ <c oughs> ปฏิบัติดี อย่างเวลาเราหลงเนี่ยรู้สึกไหมมันหลงไปได้สักพักหนึ่งล้วก็จะรู้สึกว่าเมื่กี้หลงไปเราเริ่มพัฒนาสติมันเริ่มเกิดแล้วงั้นต่อไปนี้นะเวลาใจมันหนีไปก็รู้ใจมันหนีเราก็รู้ไม่ถึงขนาดว่าห้ามหนีนะหนีได้หนีแล้วรู้หนีแล้วรู้ไปได้สติเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆสมาธิมันก็จะเกิดถี่ขึ้นมาเรื่อยๆ ตอนนีทุกครั้งที่สติรู้ทันสภาวะเช่นใจมันหนีไปคิดรู้ทันนียสมาธิจะเกิดขึ้นช่วงขณะหนึ่งแล้วพอหนีอีกรู้อีกสมาธิก็เกิดอีกในสุดสติก็เร็วสมาธิก็ต่อเนื่องขึ้นมากําลังของจิตเราก็จะเพิ่มขึ้นการเจริญตัญญาก็จะชัดเจนขึ้นที่ฝึกอยู่เริ่มต้นได้ดีแล้วล่ะฟังมานานยังหนึเดือนครับหนึ่งเดือนทําได้ขนาดนี้เก่งมากนะ ขอบคุณครับขอบคุณองแล้วขอบคุณตัวเองครับเออขอบคุณที่ไม่ขี้เกียจนะออคนเราน่าจะชั่วจะดีอยู่ที่ตัวเองหลวงพ่อบอกทางให้ได้เท่านี้นี่หลวงพ่อก็บอกคนทั้งหลายที่ฟังออกเพื่อมีโอกาสฟังเท่าๆกันแต่มันมีคนส่วนน้อยที่ฟัง นี่มีทีมงานเขาบอกว่ามีคลิปที่เทศที่ลาวมีคนฟังแสนกว่าครั้งอะไรเงี้ย <c oughs> เขาตื่นเต้นหลวงห่อไม่ตื่นเต้นเลยะเ <c oughs> นี่ยเราไม่เคยไปฟังสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมล อ, อยนะตอนเนี้ยบังคับใจอยู่รู้สึกไหม <c oughs> ขณะนี้ยไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมใจนิ่งๆกว่าความเป็นจริง เนี่ยดูหน้าหลวงพ่อดูออกไหมดูออกครับเนี่ยยังไม่เลิกรู้สึกไหมก็รู้ตัว ม, มาหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยใช้ใจอย่างนี้นะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ไปบังคับม็นให้นิ่งมันก็นิ่งอยู่แ่นั้นนะกี่ปีมันก็นิ่งอยู่แค่นั้นนะไม่พัฒนานะ ไปทําอีกนะเดือนหนึ่งทําได้อย่างนี้เก่งแล้วอขอถามเพิ่มเติมได้ไหมคะได้คือมีครั้งหนึ่งนั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนก้อนข้างในก้อนข้างในมันหลุดออกมาแล้วก็ผมก็ตกใจแล้วก็พยายามถึงกลับเออไม่ต้องไปดึงมาหรอกนะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ไอ้นะั่นไม่ใช่จิตแล้วนะจิตแล้วคือคนที่รู้ว่ามีตัวหนึ่งหลุดออกไป ไอ้ตัวที่หลุดออกไปบางทีพิสดารัว่นี้มันเห็นตัวเองเนี่ยถอดออกมานะแล้วตัวมันเล็กกว่าตัวจริงนี้หน่อยหนึ่งตัวมันเล็กๆเหมือนเด็กสักสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบมันเดินออกไปข้างนอกไดนะ้เดินออกไปแล้วมันก็หันมามองนะล้วก็ค้อนทีหนึ่งก่อนนะแล้วก็สะบัดหน้าเดินหนีไปเลยหายไปเลยนะอย่างนี้ก็มีนะเจอมาหลายคนแล้ว เงั้น <Okay. S 1> อะไรเกิดขึ้นไม่สําคัญนะสำคัญที่ว่าเรารู้แล้วใจเรายินดียินร้ายไหมหรือใจเราตื่นเต้นใจเราหลงว่าเอ็นี่คืออะไรนะเลยไปอยากให้มันเกิดอีกอะไรเงี้ยเนื้อรู้เท่าทันใจของตัวเองไปแล้วจะไม่พลาดถ้าลืมใจของตัวเองนะมัวแต่หลงอ่างการที่จิตสร้างขึ้นมานี่พลาดแน่นอนเลยมันสร้างนี้มิตได้สารพัดเลย เ, เชิญกลับบ้าน